สงบแล้วก็มาฝึกจิตตั้งมั่นค่ะแล้วเวลาเห็นที่จริงๆใจก็อยากจะเห็นแสงแสงอะไรก็ไม่เห็นใช่แสงอย่าไปดูช่วงหลังก็เลยบอกว่ไม่ดูมันละไม่เห็น<ก>มีอะไรเลยแสยหลงก็รู้ไปอย่างเดียวอยากเห็นแสงนะมีวิธีนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงอย่างรวดเร็วน ะ, ะเอาโคมไฟมาอหนึ่งเปิดก็นั่งแป๊บเดียวพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะ บางที่เขาฝึกกันอย่างนั้นจริงๆเลยไฟมาเปิดนะมันก็สว่างอยู่แล้วใจมันไปจับเอาแสงสว่างเข้านะมันก็ได้สมาธิฟังลูกเทพหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าจะต้องสว่างสว่างเราก็ไม่สว่างสักทีสว่างในความรู้สึกนะไม่ใช่แสงงม้นกลางคืนก็สว่างใจเราสว่างแต่ไม่ใช่แสงก็พยายามทาทุกวันสว่างนั้นเือตัวปัญญาจะทำทุกคืนแล้วก็กลางวันก็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 ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะมีความแน่วแน่ก็ต่อวงจรกันได้นะไม่ได้หายไปไหนหรอกเั้นเวลาเราทำบุญเราทำใจให้แน่วแน่นึกถึงอุทิศส่วนบุญให้อเชิญกลับแล้มัสการค่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาแบบโดยตลอดอะค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาสนธิธรรมนะคะพอดีหนูเป็นคนที่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 ทำในรูปแบบและเนื้อมะนะครับก็ผมก็จะน้อมไปปฏิบัติก็คงเข้าใจว่าท่านอาจารย์สอนให้ทำกันว่าตรงนี้ไม่ทราบทูกต้องหรือเปล่านะครับลองน้บารมีต่างๆเราสะสมไปเรื่อยนะมันได้ใช้เพราะว่าบารมีทุกตัวนั้นน่ะมันลดละละความยึดถือตัวเองทางนั้นเองขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยอย่างบางทีทำงานไปเรื่อยๆแล้วเบื่อนะ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 ต้องไปตัดสินใจเองนะครับขอบคุณท่านจักส่งการบ้านว่าคิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็เป็นกลางมากขึ้นขอให้ท่านช่วยชี้แนะที่ควรทำต่อค่ะความเศร้าโศกอะไรในใจเป็นไงบ้างไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีนะคอยรู้ทันสภาวะไปได้เห็นขันแยกบ่อยไหมคือไม่คิดว่าไม่ได้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 ใครฟุงส้านบ้างโอ้เก่งเก่งนี้แสดงว่าดูเป็นน่าชมเชยฟุงส้านถ้าตายในขณะฟุงส้านไปเกิดเป็นอะไรสัง <c oughs> เกตไมสัตว์จะฝูงใหญ่ <c oughs> เป็นคนนะม่เกิดทีละคนนะสัตว์เกิดทีหนึ่งฝูงหนึ่งเลยเพราะว่าโมหะมันเยอะนะ